พุทโธสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสันสนีสนทนานะคะก็อาอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f อฟเอมีดิ่ชั้นสันสนีนาคพงษเดินรายการในส่วนของวันพระหัสเสบดีและวันศุกร์เพื่อที่จะสนทนาธรรมกับท่านพระมหาไปบุญอภิปุนโนผู้โวยการหลักสูตรการหลีกเร้นของวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีในรายการนี้ให้ความรู้ท่านเพิ่มมากขึ้นว่าพระพุทธองค์นั้นได้สอนอะไรไว้ ในห่วงเวลาที่ผ่านมาอยู่ในหนึ่งเดือนเนี่ยที่ฉันได้บอกบุญการที่จะทำให้โบสถ์ของวัดป่าดอนหายโศกหรือว่าพระอุโบสถเนี่ยได้สำเร็จสมบูรณ์เพราะว่าเหลือเพียงการปูหินแปรนิตไม่มากนักนะคะอยู่ในวงเงินราวหแสนบาทแล้วก็เลยขออนุญาตที่จะมาแจ้งให้กับผู้ที่มีความศรัทธาอะไรในทํานองนี้ส่วน จะเป็นเบอร์โทรศัพท์อะไรยังไงเดี๋ยวอีกสักพักตีฉันจะแจ้งให้ทราบแต่ตอนนี้ที่ต้องแจ้งก็คือว่าเตรียมตัวกันได้แล้วนะคะเราจะให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติเพื่อความคล่องแคล่วชำนาญมากยิ่งขึ้นโดยทำไปพลางในระหว่างที่ท่านยังไม่มีโอกาสที่จะไปฝึกปฏิบัติอย่างเป็นระบบเป็นคอร์สเช่นดังที่ของวัดป่าดอนหายโศกไปพบกับ ท่านพระมหาภัยบุลอภิปุลโ น, โนแล้วเราก็จะปฏิบัติไปพร้อมกันในตอนต้นของรายการนะคะกราบน้อมสักการะท่านคะเชมพันเวลาที่เรามาตั้งจิตตั้งสติขึ้นเครื่องมือที่เราใช้ก็คือลมหายใจตัวข้าพเจ้าเองตัวละไมาเองก็ใช้ลมหายใจเนี่ยเป็นหลักในการที่จะทําจิตให้เป็นสมาธิในวิธีการนั้นก็คือว่าให้เราเอาใจของเราเนี่ยแทนที่มันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนอน อันนี้มันจะไปได้ยินเสียงนั่นนี่น่นมันจะมีส่วนหนึ่งที่เราพอจะควบคุมจิตควบคุมใจของเราได้ในการที่จะมาให้รับรู้ระลึกรู้สัมผัสดูอยู่นะที่ตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสมผัิของลมหายใจซึ่งตำแหน่งนี้พร ะ, พระุทธาใช้คําว่าปริมุขขังคือทางเข้าทางออกของลมหายใจแต่แในใบหน้าของเราเนี่ยมันจะมีที่ยื่นออกมาจากหน้าก็คือจมูกนี่แหละบางคนก็โด่งมากโด่งน้อย เป็นทางที่บ่งบอกถึงทางที่ว่ามันจะเป็นทางเข้าทางออกของลมที่จะเข้าไปในร่างกายของเราผ่านทางโพรงจมูกลมที่จะออกจากทางร่างกายออกมาจากปอดผ่านหลอดลมก็ออกมาทางจมูกนี่แหละเป็นทางเข้าทางออกของธาตุที่เรียกว่าเป็นธาตุลมให้เข้าให้ออกอยู่ในกายของเราปริมุขังคือทางเข้าทางออกนปริก็คือบริเวณรอบนมุกก็คือทางเข้าทางออก บริเวณทางที่จะเป็นทางเข้าทางออกตรงเนี้ยให้เราเอาจิตก็เรามาตั้งไว้อยู่ในที่นี้สับที่เขาแปลก ก, ก็คือเป็นผู้ที่ดารงสติเอาไว้เฉพาะหน้าดํารงสติไว้เฉพาะหน้านี้ก็คือเราไม่จําเป็นต้องไปเฉพาะเจาะจงลงไปแหละ ว, ว่าโอ้ต้องเข้ามาเท่านี้เซนติเมตรจากปลายชมูกแต่จะต้องมีเนื้อที่เท่านี้ตารางมิลลิเมตรนต่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปถึงขนาดนั้นแต่ว่าให้ทําเอาเป็นประมาณ เป็นการกะเกณโดยประมาณว่าตำแหน่งนี้เรารู้ถึงลมหายใจอยู่ในที่นี้เห็นตัวามาเองเวลาที่พูดอยู่อย่างเงี้ยลมหายใจมันไม่ได้อยู่ตลอดแต่บางทีมันก็ออกมาทางปากด้วยในขณะที่ถ้าบอกว่าลมหายใจมันขึ้นไปนทางจมูกเนี่ยคือจิตของเราให้ทรงอยู่ตั้งอยู่นะที่ตำแหน่งนั้นโดยไม่จําเป็นจะต้องมีลมอยู่ตลอดเวลาก็ได้อย่างบางคลที่หายใจออกหายใจออกจนสุดแล้วลกําลังจะเปลี่ยนเป็นลมหายใจเข้ายังไม่ทันเข้าเนี่ย ช่วงนี้ก็จะมีการหยุดของลมหายใจนิดหนึ่งหรือในขาเข้าก็เหมือนกันหายใจเข้าจนสุดแล้วจะเปลี่ยนเป็นออกมันจะมีการหยุดนิดหนึ่งก่อนที่มันจะออกเนี่ยช่วงนี้ก็จะไม่มีสัมผัสเกิดขึ้นแต่จริงของเราจะไปที่ไหนก็ไปที่เดิมแตคือตั้งไว้อยู่ที่ตรงนี้เลยให้เป็นอัตโนมัติเลยเปินเช้ามาก่อนที่จะลุกขึ้นจากเตียงเริ่มรู้สึกไปในกายแล้วปุ๊บจิตตั้งขึ้นตรงนี้เลยลเราได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็จิตเข้ามา เพิ่ให้เป็นอัตโนมัติลนะจะขับรถขึ้นเรือลงเรือขึ้นเครื่องบินหรือไปไหนเพื่อใครนะจิตให้มันมาอยู่ที่ศูนย์ตรงนี้อยู่ที่ตรงการดำรงสติไวเช้าหน้าคือตำแหน่งนี้การฝึกตรงนี้ก็อาศัยความจำนาญเป็นทักษะในการฝึกแต่ก็มาทักษะนี่ที่นี้ก็คือเหมือนอย่างภาษาเหมือนอย่างการกีฬาอาศัยการฝึกบ่อยๆก็จะทําให้ทักษะนั้นมีการพัฒนา เช่นเดียวการอา ศ, าศาัยการที่เราพยายามที่จะตั้งจิตตั้งสติขึ้นโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเนี่ยจิตที่มีการฝึกดีแล้วะสติมันจะเกิดขึ้นได้สติที่ฝึกแล้วดีแล้วมีกําลังแล้วก็จะทาสมาธิให้เกิดขึ้นได้สมาธิที่มีกําลังดีแล้วเป็นศูนย์กลางของจิตได้แล้วสามารถที่จะทําให้เราเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยได้อย่างตามเนื้อผ้าของมันสามารถที่จะทําให้เราเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยตามที่มันเป็น แต่มันเป็นมาอย่างไงที่ใคร่ครวญไปได้ไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งเหล่านั้นคือถ้าสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูเนี่ยถ้ามันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขจิตใจของคนที่มีสติตั้งขึ้นไว้ที่เฉพาะหน้ามีการระลึกถึงลงมายใจเป็นต้นเนี่ยจะไม่เพลินเพลอลุ่มลงไปในความสุขนั้นหรือถ้ามีปัจจัอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจเป็นความทุกข์จิตใจนั้นก็จะไม่ขยักขยั่ยงเกลียดจังหวั่นไว ไปตามความรู้สึกที่เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าใจที่มีสติแต่ ใ, ใจที่มีสติเนี่ยเป็นสิ่งที่พระบรมศาบอกว่าเป็นสิ่งที่จิตเนี่ยจะต้องแล่นไปสู่ในจิตเนี่ยมีสติเป็นที่แล่นไปสู่เพราะฉะนั้นทั้งวันเลยตั้งแต่หมดจบรายการระหว่างที่ฟังอยู่ในให้เราตั้งสติว่าอย่างนี้สามารถที่จะนําความเกษมนําความรุ่งเรืองนําความสบายทั้งกายและใจมาสู่ชีวิตของเราได้เรนปอสาธุค่ะนี่ก็เป็น อีวนนะคะของการฝึกปฏิบัติกันทางอากาศเป็นลักษณะของการเจริญสติสติปัญสีก็ทํากันด้วยวิธีแบบนี้ใช่ไหมคะท่านใช่ถูกต้องถูกต้องนะคะแล้วก็การทําสัมมาส ม, มาธิก็เป็นแบบนี้แหละอืค่ะเมื่อวานนี้ได้กราบเรียนถามท่านสืบเนื่องจากคาถามของคุณจั ก, กริดที่พูดถึงอรูปฌานแล้วก็ท่านก็ได้กล่าวถึงย้อนไปตรงรูปฌานซึ่งเป็นส่วน หนึ่งของสมาสมาธิที่พระพุทโ์ตรัสไว้เราลงรายละเอียดกันไปแล้วสำหรับปฐมฌานนะคะว่าต้องรู้ต้องรู้อาการใช่ต้องรู้ความเขาเรียกอะไรคะพี่ตพี่จานเป็นอย่างไร ต, ต้องรู้แต่และองค์ประกอบของมันให้ชัดเจน<ช>นะคะแล้วเมื่อรู้แล้วต้องรู้ธรรมของอาการนั้นๆโดยการพิ พิจรารณาความไม่เที่ยงถ้าถ้าอันนี้หมายความว่ า, าถ้าเราไม่พัฒนาตัวของเราไปรู้เองก็ต้องฝึกตามตาม ร, าารูปธรรมที่พระพุทธองค์สอนแล้วเมื่อพิจรารณาเห็นความไม่เที่ยงของอาการต่างๆที่ปรากฏในประถมฌานถูกไหมคะใช่ก็เท่ากับว่าเราเนี่ยได้เริ่มที่จะยืนมั่นเหมือนแม่โคที่จะข้ามไปกินอาหารอีกภูเขาหนึ่งถูก ต, ต้อง ต้องยืนมั่นที่ภูเขาลูกเดิมก่อนแล้วก้าวไปข้างหน้าให้ยืนให้มั่นในก้าวที่ก้าวไปก่อนแล้วค่อยยกเท้าหลังถูกต้องอันนี้เป็นการก้าวไปสู่ทุติยะฌานทีนี้ขออนุ ญ, ญาตุติยะฌานเลยค่ะท่านคะโอเคในในข้อแรกที่นอกจากที่เรามีความเข้าใจอย่างทุวนทีในแต่ละองค์ประกอบของฌานที่หนึ่งแล้วนะ ที่ต้องเพิ่มเติมก็คือเห็นข้อดีข้อเสียแต่คำว่าข้อดีข้อเสียเนี่ยข้อดีเนี่ยหมายถึงประโยชน์ของฌานที่1น่งฌานที่1มีประโยชน์อะไรประโยชน์ของฌานที่1เนี่ยโุ้ยทำจิตให้สงบนะเป็นหนึ่งในสามัญญผลนะอันนี้คือเมื่อวานยังไม่ได้พูดนะจะอธิบายตรงนี้ว่าฌานที่1เนี่ยเป็นสามัญผลเป็นประโยชน์ดีกว่าความสุขที่เกิดจากกามอีกดีกว่ายังไงหัวนี้ถ้าบอกว่าจิตเป็นแบบนี้ไปสวรรค์นะคนที่มีความติดใจสูงแบบเนี้ย เขาจะมาทํำร้ายทำอะไรใจมันสบายเป็นของที่ประเสริฐเป็นของพระอริยเจ้านี่เป็นข้อดีของมันทีนี้ข้อดีข้อเสียของฌานที่หนึ่งก็คือมีอยู่สองในยะในยะแรกเนี่ยคือฌานที่หนึ่งเนี่ยมันมันไม่เที่ยงมันดับไปได้มันไม่ดีตรงนี้แม่เรคิดว่าไอสมาธิมันจะสุกมันจะดีคิดว่าจะเกาะตรงนี้จะยึดตรงนี้ไว้อ้าแต่ยึดไม่ได้ฮะเพราะมันไม่เที่ยงนี่คือข้อเสียในยะที่หนึ่ง ก็เสียในยันที่2ก็คือว่ามันมีความเป็นอาพาธของมันอยู่แนี่คือเป็นเหตุเป็นผลสึ่งกันและกันล่ะ1มันไม่เที่ยงล่ะใช่ไหมเพราะนั้นมันไม่เที่ยงมันจึงมาในยันที่2ว่าอะไรคืออาพาธของชานที่1เพราะเป็นของที่เกิดอาพาธได้เป่นของที่เกิดอาพาธคือความไม่สบายเนี่แหละหรือมันกายเรามีความอาพาธเนี่ยความที่เกิดอาพาธของชานที่1ก็คือมันจะมีเรื่องของความยิ้ในต่างกามบางทีมันเพลอเพลินปาดเปื้อนมาแปดโปนเอาแหมมันไม่ดีแต่2องในยันตรงนี้ เอาเห็นประโยชน์เห็นโทษอันต่ํา3ำกับมันแล้วเราจะขึ้นประชั้นที่สองได้นะตรงนี้คือเท้าหลังนี่เรามั่นคงแล้วนะมั่นคงแล้วมั่นคงแล้วคุณจะก้าวเท้า ห, หน้าต่อไปเนี่จะก้าวเท้าหน้าต่อไปจะต้องเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์เห็นประโยชน์ของอะไรเห็นประโยชน์ของธรรมที่ไม่มีมิตรวิจารณ์ธรรมที่ไม่มีมิตรวิจารณ์นี่คืออะไรก็คือชั้นที่สอง น, นั่นเองเห็นว่าแม่อีความที่ไม่คิดเนี่ยมันดีกว่านะ คนจะเห็นว่าฉันไม่คิดเนี่ยดีกว่าที่ฉันคิดเนี่ยนะคือมีมีฝรั่งคนหนึ่งคุณหยงเต๋อเขาชื่ออเล็กซ์เนี่ยนะหลายปีแล้วประมาณสักเกือบสิปีแล้วเขาเคยมาหาเดมาแต่เขาเขามีข้อตะทกเถียงว่าคนเรามันต้องคิดสิต้องคิดสร้างสรรค์นะผลงานทํางานวิจัยอะไรต่างๆจะบอกว่าไม่คิดเนี่ยมันไม่ดีไม่ได้คุณพูดไม่ถูกมันต้องคิดคนเราต้องทํางานต้องคิดอย่างนี้นะคือเขายังไม่เห็นโทษของความคิดยังไม่เห็นประโยชน์ของความที่ไม่ต้องคิด อาร์มาก็เลยถามาว่าอ้าวคุณอเล็กซ์แล้วไอ้ที่คุณคิดคุณคิดใกล้กวนหาผลงานอะไรต่างเนี่ยไอ้ตอนที่มันคิดไม่ดีมันมีไหมเขาบอกเออมีอันนั้นมันดีหรือไม่มีดีเขาบอกอมันไม่ดีนี่แหละคือโทษใช่ไหมเพราะเราเห็นโทษแล้วเราให้เห็นประโยชน์ของความที่งั้นไม่คิดันดีกว่าแต่การที่จิตเราจะน้อมไปในการที่เห็นประโยชน์ของการที่ไม่ต้องคิดเนี่ยไม่ต้องมีวิตกไม่ต้องมีวิจารเนี่ยอันนี้จิตมันจะน้อมไปล้วก็คือโดยอัตโนมัติเลยเหมือนแม่วัว แม่โคภูเขาเนี่ยเขาก้าวเท้าออกไปก็จะไปแตะหินแตะดินที่ข้างหน้าเนี่ยต้องเห็นประโยชน์ก่อนละถึงจะค่อยไปไอข้างหน้ามันต้องมีน้ําที่เราไม่เคยดื่มมีหญ้าที่เราไม่เคยกินฉันจะไปละ่ะแต่ต้องเห็นประโยชน์ของมันตรงนี้นะเสพให้ทั่วถึงพระพุทธเจ้าใช้คำนี้นะคือทําให้ทั่วถึงเจริญให้มากนะทำให้ทั่วถึงเจริญให้มากทั้งเห็นโทษนะโทษของไอเจ้าฌานที่หนึ่ง ทําให้ทั่วถึงเสพให้มากทําให้มากประโยชน์ของฌานที่สองจิตมันจะน้อมไปในทางนั้นนะพอจิตน้อมไปแล้วก็คือเหมือนกับว่าแม่ขวดที่เขาก้าวเท้าหน้าไปแล้วมั่นคงแล้วไอ้ตรงมั่นคงตรงเนี้ยเป็นรายละเอียดที่สําคัญมากเลยนะคือคุณจะต้องเสพให้ทั่วถึงทําให้มากทําให้เจริญซึ่งอะไรซึ่งประโยชน์ในของอะไรของฌานที่สองได้รับให้มันมากประโยชน์ตรงนี้เราจะได้รับมากก็คือต้องทําให้มากนั่นเองทำไปบ่อยท<ไ>ําำซ้ๆ ในการที่เอ๊เราฝึกที่จะไม่คิดดูลองทิ้งความคิดดูเราตั้งสติเอาไว้มีความคิดขึ้นมาเราไม่สนใจไม่ใส่ใจไปตรงนี้ความคิดก็ลอยไปส่วนหนึ่งจิตที่มันไปก็ไปของมันส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยเห็นประโยชน์ตรงนี้แล้วจิต ม, มันจะน้อมไปในทางนั้นพอน้อมไปอย่างนี้แล้วก็เข้าลักษณะเดิมละขาเมื่ขาหลังมันก็จะปล่อยออกจากไอ้เจ้าความคิดที่มันจะเป็นวิธกปิจารณ์ตรงนั้นไปได้ก็ลักษณะเดิมอีกนะเป็นผู้ที่ฉลาดในการเข้า เราจะทําความชํานาญตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้ลฉลาดในการเข้าฉลาดในการดํารงอยู่ฉลาดในการออกดํารงอยู่นี่ได้ทุกอริยบทไหมได้ทุกสถานการณ์ไหมเช้ากลางวันเย็นไหมกินข้าวเดินทางทําได้ไหมการเข้ามีสติสัมปชัญญะอย่างไรอย่างไรเห็นองค์ประกอบของมันอย่างไรอย่างไรมีความละเอียดแตกต่างกันนั่นเราก็เห็นโทษประโยชน์ของมันแล้วใช่ไหมมันก็จะเห็นอาพาธเห็นโทษก็ฝึกให้เห็นตรงนี้ อย่างตามสองนัยยะที่ว่ามันไม่เที่ยงแล้วมันก็จะมีอาพาธของมันแล้วทํายังไงจะไปไหนก็หนีไปฌานที่3อย่างเงี้ยก็จะค่อยๆไต่ขึ้นไต่ขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอันนี้คือสามัญญผล น, นะคือค เ, ปเป็นผลที่แบบว่าเหนือมนุษย์ธรรมดานะครับคำว่าเหนือมนุษย์ธรมมมธรมดาเนี่ยคุณชมเตียวเช่นมากคือคนธรรมดาเนี่ยพอเขาเจอเรื่องที่มันสุขเขาก็ดีใจมันก็ธรรมดาหรือว่าคนธรรมดาก็เป็นอย่างนี้พอเขาเจอเรื่องทุกข์เนี่ยเขาก็จะเสียใจคนธรรมดาก็เป็นอย่างนี้ แต่ว่าคนธรรมดาเนี่ยอย่างน้อยเขายังรักษาศีลได้ไงเรื่องที่ว่าแบบจะไปผิดศีลทำอะไรเนี่ยเขาเขาเขาจะไม่ทำแต่คือคนที่ต่ำกว่าธรรมดาเนี่ยเขาจะผิดศีลเขาจะทําไม่ดีช่อโกงอะไรพวกนี้แต่คนที่เป็นคนธรรมดาเป็นคนที่ดีๆโดยทั่วทไปก็จะรักษาศีลได้แต่บางทีก็ขึ้นขึ้นลงๆตามความสบายใจความไม่สบายใจก็ธรรมดาแต่ที่เหนือธรรมดาคนที่เหนือคนทั่วไปเนี่ยก็คือจิตใจนี่แบบมาแล้วมาในทางที่จะเหนือโลก มาในทางที่จะไม่ถูกควบคุมด้วยตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือเหนือขึ้นมาเจอเหนือขึ้นมาตรงนี้ก็คือจิตต้องเป็นสมาธินั่นเองค่ะเป็นธรรมที่เหนือมนุษย์พระพุทธาใช้คํานี้ใช้คําว่าอุตตริมนุสธรรมอุตริมนุสธรรมนะคือธรรมที่เหนือมนุษย์อุตริเนี่ยคือเหนือไงมนุสธรรมก็คือธรรมของมนุษย์เนี่ยเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้ามีพระองค์ใดองค์หนึ่งว่าฉันได้สมาธิโอ้นั่นอุตริมนุสธรรมนะแน่นอนเลยค่ะแต่ว่าท่านท่านมีจริงอ่ะมันก็ไม่มีปัญหานี่ถูกไหม ท่านคะคือเหมือนกับว่าในการรับรู้ของคนทั่วไปคําว่าอุตริมนุษยธรรมเนี่ยเป็นคำในเชิงลบนะคะแต่ฟังดูแบบที่ท่านพูดเหมือนกับว่าการที่ได้ความพิเศษเหนือมนุษย์ทั่วไปเป็นความดีนะนั่นเลยสิคะอท่านท่านรบกวนอธิบายให้ชัดเจนเพราะว่าดีฉันเชื่อว่าคนก็ยังงงอ้าวก็ไหนคำว่าอวดอุตริมนุษยธรรมมันไม่ดีไงไอ้นี่คำคำที่ไม่ดีคือคําว่าอวดไงคุณเดี๋ยวคุณดี๋ยวคำว่าอวดเนี่ยมันไม่ดี นะอวดแล้วไม่มีในตนอวดโดยไม่มีในตนเราต้องทําความเข้าใจตรงนี้ไห น, ในก็พูดแล้นะคืออุตรีมสธรรมอันนี้เราเข้าใจแล้วนะอะไรตั้งแต่แบบสมาธิขึ้นไปเลยสมาธิขั้นที่หนึ่งไปจนถึงขั้นสูงขึ้นไปนะอเอาแค่ขั้นที่หนึ่งเดคุณก็มีอุตตริีมุสธรรมแล้วนะอันนี้คืออุตรีมุสธรรมแน่นอนที่ถามว่าที่มันไม่ดีคืออะไรนะที่มันไม่ดีคือเอามาอวดนะแล้วก็ไม่มีในตนแล้วนพะริพุทาปเปรียบเทียบกับคนที่ อวดสิ่งที่ตัวเองไม่มีที่มันคนอื่นเขาคนอื่นเขไม่มีอ่ะแล้วตัวเองอวดว่าตัวเองมีทางทั้งที่ตัวเองอ่ะไม่มีอันนี้คือเหมือนกับคนที่ปล้นเขากินแต่เป็นมาหาโจรชั้นเลิศเลยยิ่งยิ่งกว่ามาหาโจรชนิดใดๆก็ตัวเองไม่มีแล้วตัวเองไปอวดว่าตัวเองมีคนอื่นเขาไม่มีอยู่แล้วเขาไม่มีสางที่จะมาตรวจสอบคุณได้ว่าคุณมีหรือไม่มีนะแต่คุณไปอวดว่าคุณมีแล้วอวดเนี่ยมันไม่ได้แสแดงให้ดูไงคืออวดกับแสดงนี่ก็ต่างกันนะ สมมติว่าอวดแต่ว่ามีจริงนะอวดแล้วมีจริงแต่ไม่ได้ทําให้ดูเอาใหม่กันนะเอาเอาเริ่มตั้งแต่หนักที่สุดก่อนเลยหนักที่สุดก่อนเลยนะหนักที่สุดเลยก็คืออวดแล้วไม่มีจริงด้วยอวดแล้วไม่มีจริงนี่คือหนักที่สุดคนะหนักลงลงมาก็คือดีขึ้นไปหน่อยยังไม่หนักเท่าไหร่ก็คืออวดแต่มีจริงนะแต่ไม่ได้ทําให้ดูค่ะแต่ที่เบาลงมาอีกก็คือแสดงให้ดูเลยคือมีแน่นอนอันนี้มีแน่นอน แล้วที่ดีสุดๆเลยค็คุณไม่ต้องพูดอะไรนิ่งๆไปอันนี้ก็ดีที่สุดตามลำดับสี่ระดับอย่างนี้ถ้าก็ว่าเรากำลังจะทำความเข้าใจในเรื่องอุตริมนุษยธรรมถ้าโดยลำพังคำนี้ไม่มีกริยาอื่นเข้ามาประกอบเป็นความหมายที่ดีหมายความว่ามีความสามารถเหนือมนทั่วไปถูกต้องนะคะแต่ว่าที่เรามักจะคิดกันว่าไม่ดีเพราะว่าเขาพูดควบคู่กันไปกับคาว่าอวด แล้วไม่มีจริงฮะนะคะแล้วยังไม่มีจริงอีกต่างหากแต่ว่าถ้าอวดแล้วมีแล้วแสดงให้ดูอันนี้ก็ยังโอเคใช่ไหมคะก็ยังโอเคแต่ไม่ควรแต่จริงๆก็ไม่ควรจะอวดแต่ที่ดีกว่ายังมีอยู่ก็คือไม่ไม่ต้องอวดคือทําให้ดูเลยนะคะไม่มันจะแตกต่างตรงนี้เอาเอาแค่ว่าอวดกับแสดงนะต่างกันสมมุติว่าอมีคนคนหนึ่งเขาบอกเ้าหายตัวได้โอ้การหายตัวได้นี่เป็นธรรมที่เหนือมนุษย์นะใช่ค่ะธรรมที่เหนือมนุษย์เอาว่าสมมุติว่าเขามีจริง สมมเขานั่งอยู่หลังแท็กซี่อย่างเงี้ยนะเรบอกแท็กซี่ว่าแท็กซี่เนี่ยฉันหายตัวได้แต่ก็ยังนั่งอยู่นะแต่และคนนี้เขาสามารถทําได้จริงๆแต่เขายังนั่งอยู่คือเขาไม่ได้ทําให้ดูแต่เขาอวดให้ให้แท็กซี่ฟังว่าฉันทําได้อันนี้เขาเรียกอวดอุตตริมรุสธรรมที่มีในตนที่มีในตนทีนี้ถ้าสมมุติว่าคนนี้เขาไม่ได้อวดไม่ได้พูดอะไรเลยอยู่ก็หายตัวแวบไปเลยโอ้แท็ i, แกซี่อะไรวะทําไมหายไปได้ไงวะชนเสาเลยค่ะเออโอ้โหคนนี้มีอุตริมุสธรรม แสดงให้ดูด้วยสุดยอดเลยอย่างนี้นะค่ะแล้วไม่ได้พูดอะไรแล้วที่ดีกว่านี้อีกนะก็คือคุณก็นั่งแท็กซี่ไปจนถึงจุดมุ่งหมายแล้วคุณก็จ่ายเงินไปจบคือคุณมีแล้วไม่คือคุณมีแล้วคุณไม่ได้อวดไม่ได้แสดงก็เหมือนคนปกติธรรมดาทั่วไปดีฉันได้ยินเวลาพระทําอะไรแล้วไม่ถูกต้องเขาเรียกอาบัติอาบัติเนี่ยค่ะใช่ในบรรดาอวดทั้งหลายนี่มีอวดอันไหนเป็นอาบัติอวดอันไหนไม่เป็นอาบัติในสี่ขั้นเลยนะในทั้งหมดสี่ขั้นเลยนะ หนักสุดคือขั้นแรกที่ว่าอวดแล้วไม่มีจริงในตนใช่ไหมอันนี้อาบัติปาราชิกอวดแล้วมีจริงในตนอันนี้อาบ Large ัติช น, นิดที่เรียกว่าปาชิตตีปาราชิกนี่แปลว่าหนัดที่สุดาปาราชิกนี่คือขาดจากความเป็นพระเลยขาดจากความเป็นพระค่ะขั้นที่สองก็คื 2, ออวดแต่มีในตนอ่ะก็ะฉันมีฉันพูดแล้วจะทำไมก็ก็ยังเป็นความผิดอยู่ผิดยังเป็นความผิดอยู่เป็นความผิดในะระดับที่เบาลงมาก็คือทํากุศลแล้วทําให้ตกล่งลงไป คือมันเป็นลักษณะแบบยกตนนิดนึงอะนะค่ะไม่ต้องถูกลงโทษแต่ให้รู้เหอะไม่ควรทําทําให้อะไรที่ควรเป็นกุศลน่้มันถดถอยมันถดถอลงไปใช่ก็อาบัตเบาลงมาค่ะหนแล้วก็ถือว่าคุณไม่ได้พูดอะไรคุณแสดงให้ดูเลยแสดงให้ดูเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าอะไรแล้วก็คือถ้าเป็นพวกอพินิหารเช่นหายตัวห่อเฮินดันสกายพวกนี้พวกนี้คือเขาแสดงให้ดูกันได้แต่สมาธิเนี่ยมันแสดงให้ดูกันไม่ได้หรือว่าโสดาบันน่ยมันแสดงให้ดูกันไม่ได้ ค่ะเข้าใจไหมอีกสมมติว่าถ้าใครซักคนหนึ่งเป็นโซดาบันนะคุณไม่สามารถที่จะแบบเอาปลอดไปวัดอ่ะและ้วคุณติ้งติ๊งตงคุณเป็นโซดาบันมันไม่มีอ น, น, ะนะอเพราะฉะนั้นมันแสดงให้ดูได้ก็มีแสดงให้ดูไม่ได้ก็มีแ ต, แแต่ตรงจุดที่แสดงให้ดูได้แล้วแสดงให้ดูอันนี้ผิดผิดอยู่แต่ผิดเบ่าลงมากกว่าอีกเธออย่างหายตัวไปเลยอย่างแวบอย่างเงี้ยอันนี้ผิดเบาลงมาใช่ใช่มีจริงแต่ก็ผิดผิดแล้วผิดขั้นไหนคะผิดเขาเรียกว่าชื่อว่าทุกกตะ อาบทุกทกฎทุกกระตะหมายถึงแบบเป็นอบัตเบา่เป็นอาบัทั่วๆไปเบาๆแล้วก็ในข้อสุดท้ายก็คือแบบไม่ต้องทําอะไรแบบเฉยๆไปอย่างเงี้ยนิ่งๆไปเย็นๆไปแบบพระฤาษีเจ้าเออนี่แบบดีที่สุดไม่มีอาบาตใดๆอุเบกขาไปนี่คือขั้นที่สี่ค่ะพอดีเรามาแวะอยู่ตรงอุตริมนุสธรรมสนานไปต่อได้ไหมคะท่านคะคือตรงนี้เป็นธรรมที่เหนือจากคนทั่วๆไปละอันนี้อันวบาลต้องทำความเข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะ <Okay. S 2> การที่แบบเราอาจจะอยู่ในครอบครัววุ่นวายเพื่อนข้างบ้านลูกบ้างผัวบ้างการงานบ้างทีวีสถานการณ์บ้านเมืองแต่ใจเรานิ่งได้เย็นได้สบายได้ <Okay. S 2> และไอ้วความนิ่งความเย็นเนี่ยมันก็จะมีความปั่นป่วนเหมือนกับวา่าใ น, น, น, นในทอร์นาโดในในพายุไต้ฝนอย่างเงี้ยนะ <Okay. S 2> ใจกลางของมันเนี่ยมันจะนิ่งเช่นเดียวกันบางทีเราแบบตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้น ข, นขนลงล ง, ลงซ้ายขวาซ้ายขวาตามนั้นแต่ว่าใจของเราข้างใน นิ่งอยู่สบายอยู่นี่คือสมาธิที่เราควรจะทําให้เกิดกระบวนการที่ทําให้เกิดก็อย่างที่ว่าไต่ขึ้นมาเป็นลําดับลําดับลาดับอย่่างคะฝึกตรงเนี้ยมันเป็นคุณธรรมที่สูงเป็นของคนประเสรศิฐ <c oughs> แต่คนที่มีตรงนี้แปลว่าเป็นคนดีเป็นคนเจ๋งเป็นคนเหนือคนจะได้ความเป็นอุตริมนุษยธรรมเนี่ยตั้งแต่ได้ชาแนลนะะหนึ่งเลย <c oughs> หนึ่งนี่แหละ พราะพาะว่าคนธรรมดาเนี่ยเขายังไปตามตาหูชมุลิ้นยินดีในความสุขในกามน ะ, ะมีครอบครัวมีอะไรก็ธรรมดานะแล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนนั้นเนี่ยเราเราเช่นดูคารวะสทั่วๆไปอะดูคารวาสทั่วๆไปยังกินข้าวเย็นมีความสุขคุยกับ น, นุน่มนิงฟังเพลงมีความสุขธรรมดาแต่ถ้าคนนี้เขามีความสามารถเช่นว่าโอ้คนนี้คุณมีความเป็นผู้นํานะคุณมีความรับผิดชอบนะคุณมีความเชี่ยวชาญในเรื่องสาขาวิชาชีพเช่นทางการแพทย์ หรือว่าทางด้านภาษาเราก็ยกย่องด้วยคุณธรรมนั้นๆของเก่าของเก่าถูกไหมอันนี้เป็น <Okay. S 1> ทักษะที่เขามีอันนี้คือทักษะที่อยู่ในทางโลกเพราะว่าเขาเขามีอะไรที่แบบคนอื่นตัวตัวไปไม่มีอ่ะค่ะอย่างเช่นเรื่องของความคิดในการแก้ปัญหาบางคนสามารถใช้ความสามารถนี้ได้ดีแต่บางคนไม่มีบางคนเชี่ยวชาญในเรื่องช่างไม้ช่างก่อสร้างเขาก็มีความทักษะในนั้ น, นซึ่งถ้าบอกว่ามันเหนือคนอื่นนะอันนี้คือเราก็ยังยกย่องเขา ทีนี้ในจิตใจที่มันเหนือกว่าคนอื่นนี่คือเรื่องของสมาธินั่นเองค่ะอมตรงนี้นะเพ<น>ราะฉะนั้นเราทําสมาธิเกิดขึ้นนี่นมันก็จะดีตรงนี้แหละที่ว่าค่ะทีนี้ท่านจะผ่านไปเลยหรือว่าจะลงรายละเอียดในแต่ละชานต่อค่ะในแต่ละอันในแต่ละอันที่ที่เราจะต้องทําความเข้าใจก็คือนี่คือคือแพทเทิร์นในการที่เดินทางไปแต่ต่มาจะไม่ได้อธิบายจนถึงสี่แล้วก็ขึ้นไปอรูปชั้นรูปแล้วมันก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ แต่ทีนี้แต่ละขั้นแต่ละขั้นเนี่ยการทําความชํานาญให้เกิดขึ้นตรงนี้แล้วถามว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรที่บอกว่าประโยชน์เป็นความสุขมันก็ใช่อยู่เป็นความสุขชนิดที่ว่าเป็นสามัญผลเนี่ย เ, ออเป็นความสุขที่มันเหนือกว่าเรืเกียวกว่าประณีกว่าความสุขธรรมดาทั่วๆไปแล้วนอกจากนี้สิ่งที่มันยังดีก็คือว่ามันสามารถใช้เป็นบาดฐานในการที่จะเข้าสู่นิพพานได้ตันนี้สําคัญที่ยังไม่ได้พูดถึง บาตฐานในการที่จะเข้าสู่นิพพานเนี่ยก็หมายความว่าจิตใจของเราที่นิ่งจิตใจของเราที่นิ่งคือในในแต่ระดับนะในแต่ระดับตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งจนถึงขั้นสูงเลยเนี่ยมีความนิ่งที่ลึกลงไปนะแต่ว่ามันมีความนิ่งอยู่ลึกลงไปไม่เท่ากันทีงน้ความนิ่งที่มีไม่ว่าจะตั้งแต่ระดับแรกเลยเนี่ยสามารถที่จะใช้เป็นบาฐานในการที่เห็นตามที่เป็นจริงว่าสังสารวัฏเนี่ย มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามดูอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่มีกําหนดแลนะสําหรับบุคคลที่ยังมีตัญหามีอวิชชาเป็นเครื่องเริงรัดไว้แต่ว่าความจางคลายดับไปไม่เลยแห่งอวิชชาเนี่ยมันมีอยูนะ่อันนี้จะเป็นบทที่สงบระงับประณีตแล้วก็เอาจิตเนี่ยเอาน้อมไปในทางนั้นคือน้อมจิตไปเพื่อนิพานค่์น้อมจิตไปเพื่อนิพานในการที่จะ ไม่มีตัณหานั่นะจิตใจของคนที่จะเข้าสู่นิพพานได้เนี่ยต้องไม่มีตัณหานะ ค, คือไม่ใช่ว่าเราอยากจะเข้านิพพานแล้วมันมันจะไปได้มันไม่ได้เพราะความอยากมันต้องไม่มีอย่างเงี้เพราะฉะนั้นจิตที่จะไม่มีความอยากได้นะใจต้องเป็นสมาธิเป็นมีบาทฐานในการทำความเข้าใจตรงนี้ค่นะท่านคะในเมื่อท่านพูดถึงเรื่องไอ้ความอยากเนี่ยดูเหมือนกับเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีดในกระบวนการปฏิบัติตแต่ทีนี้ อย่างกับเราเป็นผู้ปฏิบัติที่ได้กราบเรียนท่านตั้งแต่ต้นว่าพอเราได้เข้าใจว่าเรากำลังอยู่ในปฐมฌมานแล้วก็ทำตามที่พระพุทค์ได้ตรัสสอนและธรรมถ่ายทอดนะคะเพื่อที่จะก้าวขึ้นไปสู่ฌานต่อๆไปเนี่ยมันก็มีความยากอยู่ด้วยตลอดนะคะท่านคะใช่เหมือนกัใช่ไหมค ะ, ะทีนี้เท่ากับว่า เราอยากไปอย่างเงี้ยถูกเราต้องไปถูกมัหมคะไม่ไปเราก็ไปถือมิพานไม่ได้ใช่ไหมคะตัว น, นี้ก็ทําความเข้าใจว่าเวลาที่เราอยากใช่ไหมเราอยากได้นี้เนี่ยแล้วเราทําอยากก็ทําไม่อยากก็ทำํำไอกระบวนการทําตัว น, นี้มันสวยงามมากตรงนี้ว่าพอคุณทําไปทําไปเนี่ยความอยากมันจะลดลงค่ะมันเป็นทําไมเป็นอย่างนะั้นะเพราะว่าในขณะที่เราทําเนี่ยเช่นว่าเราเห็นโทษเห็นประโยชน์เห็นประโยชน์นชน 3, นของชานสามเห็นโตของชานสองทำให้มากจเลยใช่ไความอยากมันจะลดลง กระบวนการที่ความอยากลดลงแล้วมันงวดเข้างวดเข้าตรงนี้นี่คือความสวยงามของอริยมรตมีองแปดคุณหยงติวเพราะว่าในขณะที่จันที่ว่าฉันอยากที่จะทํามรตแปดอ่ะเดี๋ยวดนะการกาหนดบทเริยนฉันนะอย่างนี้มันไม่ถูกนะเพราะว่าในขณะที่ฉันคิดว่าฉันอยากจะทาํะนะ า, รร า, า, าทมรตแปดเนี่ยจริงๆไอความอยากตรงนั้นของคุณเนี่ยมันเรียกว่าสัมมาวายมะคือการทําจริงแน่วแน่จริงฉันมีการทําจริงแน่วแน่จริงในการที่ฉันจเจอเรื่มรตแปให้ได้ถ้าเผว่ามันมันมากเกินไปใช่ไหม มากเกินกําลังสติเนี่ยไอ้ที่มากเกินไปเนี่ยคือตัณหาแต่ถ้ายังมีสติคุมไดาอยู่เขาเรียกว่าสัมมาวยามะมันต่างกันนะสัมมาวยามะเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นกุศลธรรมนะเป็นสิ่งเรียกว่าการทําจริงนแน่จริงอย่างเช่นว่าเร า, เราเห็นใครสักนคนหนึ่งก็ทํางานในบริษัทก็ตามแล้วบางคนพอเขาทําแบบทุ่มเททําจริงนแน่จริงอย่างเงี้ยโโหนี่คนดีนะ แต่เพราะว่าเขาทำงานไปแล้วมันไปก้าวไก่คนนั้นคนนี้มันเกินไปอะ่ะมันก็กลายเป็นไม่ดีเหมือนกันแต่เราะนั้นความสมดุลความเหมาะสมอยู่ที่ไหนอยู่ที่สติตรงนี้แหละอยู่ที่สติสติจะต้องเป็นตัวคุมเลยคุมตลอดเลยแต่พระพุทเจ้าจึงบอกว่าในธรรมะไม่ไหนเนี่ยมีสติเนี่ยเป็นอธิบดนะีคือการควบคุมตามสายงานถ้าบอกเรามีสมาสติอย่างดีแล้วเนี่ยนะกำลังของสมาธิก็ตามกําลังของการทําจริงแน่แน่จริงก็ตามจะทรงผลทําให้กิเลส แต่หมายถึงในที่หมายถึงความอยากเนี่ยมันค่อยๆงวดเข้าง ว, วดเข้าลอกออกลอกออกได้คอันนี้มันจะจึงไม่เหมือนกันค่ะเท่ากับ ว, ว่าความอยากที่เป็นตันหาจะค่อยๆลดลงแต่จะเป็นความเพียรที่มีมากขึ้นอย่างนั้นหถูกต้ตองถูกต้ตองถูกต้ตองเพราะว่าในขณะที่เราพยายามที่จะทําสมาธิให้เกิดขึ้นนั่นแหละคือการทําจริงแ น, น่ๆจริงแล้วในขณะที่สมาธิจะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอกิเลสมันจ ะ, จะลอกหลอกลอกออกแน่นอน ซึ่งการที่เราเจริญสมาธิเนี่ยตรงนี้เป็นลักษณะเหมือนกับว่าเรากินยานะกินยามันก็จะมีจุดที่ว่าเมื่อไข้าหายหรือ เ, เมื่อโรคหายอาการหายไปแล้วยาเราก็ไม่ต้องกินนะซึ่งไอการที่เรามีตันหาอยู่เนี่ยมันเป็นอาการของโรคถือแม้มีเชื้อโรคอยูนะ่อาการของโรคเนี่ยอาจจะเปรียงเปรียยงนะคุณยมเติวเช่นนะถ้าเรามีเชื้อแบคทีเรียอยู่ในร่างกายของเรานะคือเชื้อนี้เป็นต้นเหตุนะ แล้วบางทีมันทำให้เกิด อ, อาการปวดหัว <Okay. S 1> หเกิด อ, อาการปวดหัวทำไงอะ่ะหมอเขาก็เอายามให้คุณกินแเ้ากินยาเข้าไปกินยาเข้าไปสามวันเจ็ดวไปเอ อ, เอปวดหัวมันหายไงทำไมปวดหัวหายเพราะว่าเชื้อแบคที เ, เรียนในกายเนี่ยมันลดลงไปเอาทํำไมเชื้อแบคทีเรียในกายลดลงไปได้ก็เพราะยาที่คุณกินเข้าไปเนี่ยนี้ต้องการจะเปรียบเทียบกับไอ้ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือตันหาเนี่ยคือเปรียบเหมือนกับเชื้อแบคทีเรีย สิ่งที่เป็นยาที่เรากำลังกินเข้าไปอยู่ตอเนี้ยก็คือมรค8ปดเที่ยงของเรจเริญก็คือเจ้าสัมมาสติเนี่ยสัมมาสมาธินี่น <c oughs> แหละแรวมกันหมดมันอยู่ในมรค8ตรงนี้แต่คุณกินยาเข้าไปคุณกินยาเข้าไปไอ้เจ้าตัณหากิเลสวิชาพวกนีมกาา้มันก็จะค่อยๆลดลงลดลงลดลงพอมันลดลงลดลงปุ๊บเนี่ยไอ้ความทุกข์ของเรามันจะหายไปความทุกข์ของเราจะหายไปความทุกขห์ <c oughs> ากหายไปก็เพราะว่าเชื้อนี่มันหมดไปพอเชื้อหมดแล้วยาเราไม่ต้องกินค่ะพูดถึง ในเนื้อหาเดียวกับที่ท่านได้พูดไปแล้วนี้มีพุทธพจน์ ท, ที่ตรัสเอาไว้ไหมคะอาบุญรุจ่าเปรียบเทียบกับยาสํารอกอันเป็นระยะค่ะได้ตรัสถึงเรื่องของอันนี้กว้างกว่าด้วยซ้ําคือเรื่องของมรรคแบวกกับสัมมาญาณนะแล้วก็สมาวิมุติทั้งหมด10อย่างเนี่ยก็จะเป็นยาถ่ายยาสํารอกอันเป็นระยะก็คือถ่ายถอนเชื้อที่มันจะทําให้เรามีความทุกข์ที่มันจะทําให้เรามีอาการ ปหัวต่างๆพวกนี้ออกไปให้ได้ค่ะท่านคะทีนี้หากว่าเราเนี่ยจ ะ, จะเจริญสติหรือว่าจะปฏิบัติสัมมาสมาธินะคะด้วยปฐมฌานอย่างเดียวด้วยวิธีอาณาปานสตินะคะคือรู้ลมหายใจอย่างเดียวไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ได้พิจารณาข้อดีข้อเสียกับการที่เห็นความไม่เที่ยง นะคะซึ่งเป็นข้อเสียเนี่ยจะสามารถไปได้ไกลถึงจุดที่อาจไปสู่การนิพพานได้ไหมคะถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ปรารบท่านพระมหากปินะตอนนั้นเนี่ยท่านพระมหากรีนาในนั่งคู่บันลังตั้งกายตรงอยู่ใต้โคนไม้แห่งหนึ่งกายไม่ไหวโครงไม่โยกโคลงเลยก็เลยบอกว่าบอกพิกษุททั้งหลายบอกเห็นไหมพิสุธรูปเนี้ยเขากายไม่ไหวโครงไม่โยกโคลงก็เราะว่าเจริญอาณาปานสติ นอกจากนั้นอนาปานสตินะใครอยากได้ฌานที่หนึ่งคุณก็เจริญอนาปันสติฌาน2อฌาน3จนถึงฌาน8เลยฌาน9เลยก็ให้เจริญอานาปันสติโสดาบันสกทาคามีอนาการมีพระอรหันต์เราก็ให้เจริญอานาปานสติแต่เป็นอย่างที่เราฝึกมาตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยให้เราตั้งสติเอาไว้หยุดในลมหายใจในทักษะที่เราฝึกมันก็สะสมสะสม เป็นกำลังสติบ้างเป็นกำลังสมาธิบ้างเป็นกำลังความเพียรบ้างในสิ่งเหล่านี้มันสะสมสะสมขึ้นเพราะราชาบริเวณกับฝนที่ค่อยๆตกลงบนภูเขาแต่พอฝนตกลงบนภูเขาเนี่ยถ้าฝนยังตกไม่หยุดเนี่ยมันก็จะบึงน้อยบึงใหญ่มันก็เต็มขึ้นมาฝนยังตกไม่หยุดไม่น้ําน้อยไม่น้ําใหญ่ก็เต็มขึ้นมามาสมมติก็เต็มขึ้นมาได้เพราะว่าน้ําที่มันหยดที่ละหยดเท่านั้นเองเช่นเดียวกันเราฝึกไปทําไปเนี่ยก็จะทา นี่ผ่านให้แจ้งได้นี่คือกระบวนการที่พระเจ้ายืนยันแน่นอนนะคะก็เท่ากับว่าท่านเพียงแต่เจริญอาณาปานาสติท่านก็สามารถที่จะได้บรรลุธรรมถึงขั้นสูงสุดได้าตามตที่พระพุทธองได้ตรัสไว้แม้วันนี้มาตอนแรกตกใจนะคะทุกคนตกใจทำไมมันยากขึ้นยากขึ้นก็มาสู่จุดที่ได้พบว่า เพียงแต่แค่ทําให้มากถูกไหมคะเจริญให้มากเจริญให้มากในเรื่องเดียวถูกต้องก็พูดง่ายๆคือกินยานั่นแหละกินยาค่ะนะคะกราบธรรมัสการขอบพระคุณท่านเพื่อนบูลเป็นอย่างยิ่งแล้นะคะสําหรับสัปดาห์นี้ค่ะนรรมัสการค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะและตามสัญญาที่ดิฉันได้กราบเรียนท่านไว้ในตอนแรกสําหรับผู้ที่มีความประสงค์นะคะจะมีส่วนร่วมในการที่ทําให้พระอุโบสถของวัดป่าดอนหายโศกนั้นประสบความสําเร็จใน การก่อสร้างขั้นสุดท้ายที่เหลือคือการปูพื้นหินแกรนิตโดยรอบพระอุโบสถนะคะยังขาดเงินอยู่ประมาณไม่กี่แสนไม่เกินหกแสน <c oughs> ก็สามารถที่จะร่วมทําบุญกันไปได้ที่บัญชีวัดป่าอุดรหายโศกธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดป่าอุดรหายโศธนาคารกรุงไทยอุดรธานีหมายเลขบัญชี ส0 1 3 286 955าสองปดห้าห้าห้าอีกครั้งนะคะ401 3 286 9ห5สสองปดหกเ้าห้าหก็ขออนุโมทนานะคะรายการของเรารายการสัมม น, นีสนทนาดิฉันสัมสนีหน้าพงเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะก็อยากจะให้ท่านฟังทั้งหลายนั้น ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ตามคำสอนของพระศาสดาคือให้เราน้อมเอามาใส่ตัวแล้วก็ปฏิบัติกันจะได้รู้ว่าอ๋อที่พระผู้ทรงได้ตรัสสอนนั้นจะเกิดผลอย่างไรจะเกิดจากการปฏิบัติของเราเองใครก็ไม่สามารถ จะมาบอกเราได้ว่าในการปฏิบัตินั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าเป็นเรื่องที่รู้กันได้โดยเฉพาะตนของเรามีแต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านจะแนะวิธีตามคำสอนของภาษาสดาส่วนธรรมนั้นเราต้องทำเองนะคะติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ก็ขอให้ปฏิบัติกันจเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นค่ะพุทธ ว, ส, วสดีค่ะ